โทตกะเทราประทานประวัติในดิจฉตาของพระโทตกะเทระพระโทตกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉตาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นแม่น้ำพาคีร์ธีเกิดจากภูเขาหิมพานไหลผ่านไปทางประตูกรุงหงสาวดีอารามชื่อโสพิตะมหาชนสร้างไว้อย่างสวยงามใกล้ฝั่งแม่น้ำ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกประทับอยู่ในอารามนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่มนุษย์หอมล้อมดังพระอินจากสวรรค์ชั้นเดวดึงประทับนั่งในอารามนั้นไม่แคร่งพร์ดุดราชสีข้า พ, พเจ้าเป็นพรามมีนามว่าฉลังคะอยู่ในกรุงหงสาวดีพระมหามุนีก็มีนามอย่างนั้นครั้งนั้น จิตหนึ่งรสปดคนแวดล้อมข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมด้วยจิตเหล่านั้นไปยังฝั่งแม่น้ำณที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นสมณะหลายรูปผู้มีคดโกงผู้ชำระบาปแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้ากําลังฆ่าแม่น้าําภาคีรถ์ถีคิดอย่างนี้ว่าบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มียศมากเหล่านี้ฆ่าแม่น้ําทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าย่อมทําตนให้ลําบาก ทำตนให้เดือดร้อนบัณฑิตย่อมกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเครื่องศั ก, กระสำหรับชำระทางคือคติในทักษิณาของเราก็ไม่มีทางที่ดีเราควรให้สร้างสะพานข้าแม่น้ำถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเถิดครั้นให้สร้างสะพานนี้แล้วจะข้ามภพนี้ไปได้ข้าพเจ้าเชื่อว่า ผู้สนที่ข้าพเจ้าทําแล้วนี้จากภัยบูนจึงได้ให้ทรัพย์หนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างแล้วให้สร้างสะพานข้าพเจ้าให้สร้างสะพานนั้นเสร็จแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกประนมมือเหนือศีรษะแล้วเรียกราบทูลคานี้ว่าข้าพเจ้าได้จ่ายทรัพย์หนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างแล้วให้สร้างสะพานใหญ่เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข่าแต่พระมหามุนี พอได้โปรดทรงรับเถิดพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคษาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่เลื่อมใสซึ่งได้จ้างสะพานถวายเราด้วยมือของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นี้แม้ตกจากซอกเขาก็ดีจากภูเขาก็ดี จากต้นไม้ก็ดีแม้จุติแล้วก็จักได้ที่ตั้งมั่นเคอที่พักนี้เป็นผลแห่งการถวายสะพานศัตรูทั้งหลายข่มไม่ได้เปรียบเหมือนลมข่มต้นไทรที่มีรากและย่านงอกงามไม่ได้ฉะนั้นนี้เป็นผลแห่งการถวายสะพานพวกโจรข่มเหงไม่ได้ประศัตริย์ทั้งหลายไม่ดูหมิน่นผู้นี้จักผ่านศัตรูทั้งปวงไปได้นี้เป็นผลแห่งการถวายสะพาน ผู้นี้ประกอบด้วยบุญกรรมถึงจะอยู่ในโอกาสกลางแจ้งถูกแดดกล้าจัดแผดเผาก็จะไม่มีเวทนาในเทวโลกก็ดีในมนุษย์โลกก็ดียานภานะคือช้างที่บุญกรรมในระมิตีแล้วดังจะรู้ความรำฤตของผู้นี้จากบังเกิดในทันทีม้าสินทบหนึ่งพันตัวซึ่งเป็นภานะวิ่งเร็วปานกำลังลม จะขอรับใช้ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นนี้เป็นผลแห่งการถวายสะพานผู้นี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จกเป็นผู้มีความสุขแม้ในการเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะมียานพานะคือช้างในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดา พ, พระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกาการาชจากอุบัติขึ้นในโลก ผู้นี้จากเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทําเนรมิตรกาหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานช่างน่าปลื้มใจเทพเจ้าได้ทํากรรมไว้ดีแล้วในพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุต ร, ระเทพเจ้าประทับสักการะไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงบรรลุความสิ้นอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วได้ทราบว่าท่านพระโทตกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้โทตกะเถระาประทานที่สี่จบหอุปศีวะเถระประทานประวัติในดิจฉาติของพระอุปสีวะเถระพระอุปศีวะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่า ในที่เมี่ยงไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออนโนมะเขาได้สร้างอาสมและสร้างบรรณาสลาไว้อย่างดีเพื่อข้าพเจ้าในที่เมี่ยงไกลาอาสมของข้าพเจ้านั้นมีแม่น้ําสายหนึ่งไหลอ ย, อยู่มีท่าน้ําราบเรียบน่ารื่นรมใจมีกอรปรทุมและกออุบลจํานวนมากเกิดอยู่ที่ท่าน้ําซึ่งเต็มถิ่มด้วยน้ําในแม่น้ํานั้นฝูงปลาสลาดฝูงปลากระบอก ฝูงปลาสวายฝูงปลาเขาฝูงปลาตะเพียนแม่น้ำมีปลาและเต่าชุกชุมไหลอยู่เสมอมีต้นดีหมีต้นอโศกต้นเข็มต้นบุญนาคต้นบุญนาคเขามีดอกบานสะพรั่งสรงกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วอาสมของข้าพเจ้ามีต้นอัญชันเขียวต้นมะลิซ้อนต้นสาละต้นช้างนาวต้นจำปาขึ้นอยู่เป็นหมู่ๆมากด้วยกัน มีดอกบานสะพรั่งต้นรกฟ้าขาวต้นลำดวนต้นกระท h o ต้นประดูและต้นมะซางหอมมีดอกบานสะพรั่งมีอยู่ในที่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าต้นราชพฤกษ์ต้นงอนไก่ต้นคักเ้าต้นประยงต้นมะกลมหลวงมีอยู่ดาตื่นโดยรอบตลอดกรึงโยต์ต้นโพต้นชบาซ้อนต้นแครฝอยต้นย่านทาย ต้นปรูต้นยิ้วมีดอกบานสะพรั่งมีอยู่มากใกล้แม่น้ำนั้นต้นกัมยานมีดอกบานสะพรั่งมีอยู่มากใกล้อาสมของข้าพระเจ้าณใกล้ฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อต้นไม้เหล่านี้มีดอกต้นไม้จำนวนมากก็งามอาสมของข้าพระเจ้าเดิรอบหอมตลบไปด้วยกลิ่นดอกไม้นั้นมีต้นสมอไทยต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงต้นว่า ต้นสมอพิเภกต้นกระเบาต้นรกฟ้าต้นมะตูมและต้นมะปรางมีผลมากในที่นั้นต้นมะพร้าวต้นมหาดต้นมะ้างต้นหมากเม่าต้นขนุนสามปะลอต้นขนุนต้นกล้วยต้นจันมีผลมากในที่นั้นต้นมะกอกและต้นเคลือเทามีผลมากในที่นั้นและผลผลมีรสหวานทุกฤดูการ อยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าทั่วดำถั่วเหลืองมีฝักดกมากต้นไซย้อยและต้นไม้เรียบต้นมะเดือ่อมีผลสุกงอมเต็มต้นดีปลีพริกต้นไซต้นมะขวิดต้นมะเดือ่อมีผลสุกงอมมากเต็มต้นใกล้อาสมของข้าพเจ้านั้นต้นไม้เหล่านี้และชนิดอื่นอีกมากกำลังมีผลใกล้อาสมของข้าพเจ้าแม้ไม้ดอกก็มีมาก มีดอกบานสะพรั่งใกล้อาสมของข้าพเจ้ามันเทศมันอ้อนมันมือเสือหอมกระเทียมและคนทาอาลกาต้นตาลมีอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าในที่เมียกใกล้อาสมของข้าพเจ้ามีสระใหญ่ธรรมชาติสระหนึ่งมีน้ำใสเย็นสนิทมีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจในสระนั้นมีบัวหลวงบัวขาบสะพรั่งด้วยบัวขาว ดาราดาด้วยบัวเพื่อนลมพัดพากลิ่นหอมต่างๆโชยมาปทุมบางกอมีดอกตูมบางกอมีดอกบานบางกอมีเกสรร่วงหล่นคงมีแต่ฝักบัวจํานวนมากน้ำหวานไหลออกมาจากก้านบัวนมสดและเนยใสไหลออกจากเงาบัวอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆด้วยกลิ่นหอมนั้นโดยรอบต้นโกมต ต้นจงกล น, นีและต้นตาเสือปรากฏมีมากที่ใกล้ขอบสระธรรมชาติต้นการเกยจ์จำนวนมากก็มีดอกบานสะพรั่งต้นชบามีดอกบานสะพรั่งสาหร่ายนีกลิ่นหอมเจรเข้ตะโขงนาคเกิดอยู่ในสระนั้นในสระนั้นมีงูหลามงูเหลือมปลาสลากปลากระบอกปลาสวายปลาเขาปลาตะเพียนจำนวนมาก มีปลาเต่าและตะภาพน้ำนกพิราบนกเป็ดน้ำนกกวักนกกาน้ำชุกชุมนกต้อยตีวิทนกจักระภาคนกช้อนหอยนกโพระดกกระแตนกเขาเหยี่ยวและนาามีอยู่มากสุนัขจิ้งจอกลูกนกแขกเต้าไก่ป่าจามรีมีอยู่มากกาเหยี่ยวและเสือดาวก็อาศัยสานนั้นเลี้ยงชีวิต ราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหมาในเสือดาวลิงกินนอนปรากฏอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสูดกลิ่นหอมเหล่านั้นบริโภคผลไม้และดื่มน้ำหอมอยู่ในอาสมของข้าพเจ้าฟูงเนื้อทายฟูงสุกรฟูงเนื้อฟานนกเขาชวานกเขาไฟและนกกระปูดอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้า งนกกรเรียนนกยูงนกสาลิกานกดูเ่านกเขาแมวนกแสกนกหัวขวานมีอยู่มากในที่นั้นผู้ปีศาจทานกอสูนกุมพันผีเสื้อน้ำครุฑงูมีมากอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าฤาษีทั้งหลายมีอนุภาพมากมีจิตสงบมีใจมั่นคงทั้งหมดล้วนถือคนโทน้ำ นุ่งห่มหนังสัตว์เพียรพร้อมด้วยชดาและบริคารอยู่ในอาสมของข้าพเจ้ารูสีเหล่านั้นทอดตาดูประมาณชั่วแอกมีปัญญารักษาตนมีความประพฤติสงบสันโดษตามมีตามได้อยู่ในอาสมของข้าพเจ้ารูสีเหล่านั้นสลัดผ้าคคากรองเราะหนังสัตว์อาศัยพลังของตนเราะไปได้ในอากาศในครั้งนั้น ฤาษีเหล่านั้นไม่ต้องนำน้ำหรือฟืนสำหรับก่อไฟมาสิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์ขึ้นเองนี้เป็นผลแห่งปาฏิหาริย์ฤาษีเหล่านั้นนํารางเหล็กมาอยู่ถ้ำกลางป่าเปรียบเหมือนช้างกุญชอมหานาคและพญาราชสีผู้ไม่เคลื่อนครั่งฉะนั้นฤาษีเหล่านั้นทราบ ก, กำลังของตนแล้วพวกหนึ่งไปอประโพยานทวีป พวกหนึ่งไปปุกพระวิเทหทวีป พ, พวกหนึ่งไปอุตรกุรุทวีปฤรืีเหล่านั้นต่างนําอาหารจากทวีปนั้นๆมาบริโภคร่วมกันเมื่อฤรืีเหล่านั้นผู้มีเดชแผ่ไปผู้คงที่ทั้งหมดหลีกไปอยู่เพราะเสียงหนังจากของพวกฤรืีป่าย่อมมีเสียงดังลั่นในครั้งนั้นข่าแต่พระมหาวีระ พวกศีของข้าพเจ้าเหล่านั้นมีตะบะแก่กล้าเช่นนี้ข้าพเจ้ามีฤาษีเหล่านั้นแวดลอ้อมอยู่ในอาสมของตนฤาษีเหล่านั้นแม้ถูกแนะนําแล้วก็ยินดีด้วยกรรมของตนมาประชุมพร้อมกันแล้วฤาษีเหล่านั้นเพลิดเพลินในกรรมของตนเป็นผู้มีศีลมีปัญญารักษาตนและฉลาดในอัปมัญญาให้ข้าพเจ้ายินดี พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษทรงทราบถึงการประชุมแล้วเสด็จเข้ามาใกล้พรันแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เองผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนเป็นพระมุนีจึงประคองบาทแล้วเสด็จเข้ามาเพื่อพิจารณาข้าพเจ้าได้เห็นพระมหาวีระเจ้า พระนามว่าประทุมตร ะ, ะเสด็จเข้ามาจึงปูลาดเครื่องลาดหญ้าแล้วโปรยด้วยดอกสาละถูนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วทั้งดีใจและสลดใจได้รีบขึ้นไปบนภูเขาแล้วนำกลิศนามาได้กเก็บขนนุนที่มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นทิดผลโตประมาณเท่าหม้อยกขึ้นคอแบกมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษ ได้ถวายผลขนุนแด่พระพุทธเจ้าแล้วใช้กฤิศนาไลทาเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีเรียกกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในถ้ากลางโมงเรสีได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่ได้ถวายผลขนุน ปริศนาและอาสนะแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดในบ้านก็ตามในป่าก็ตามที่เงื้อมเขาก็ตามในถ้ำก็ตามโภชนาหารดังจะรู้จิตของผู้นี้จากบังเกิดขึ้นคนผู้นี้บังเกิดในเทวโลกหรือในมนุษย์โลกก็ตามจากให้บริษัทอิ่มเอิบด้วยโภชนาหารและผ้าผู้นี้เกิดในกำเนิดใด เคจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นจกมีโภคะนับไม่ถ้วนเวียนว่ายตายเกิดไปจกรื่นรมในเทวโลกตลอดสาม0 0ื่นกับจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันชาติจกครองเทวสมบัติเจ็อดชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศราชนภัยบู์นับชาติไม่ถ้วนเนี่กลับที่หนึ่งแสนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคด ทรงสมภพในราชสกุลโอกา ก, าการาชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะมีนามว่าอุปสีวะเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระศ า, าสดาพระองค์นั้นกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะการที่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำเป็นลาบที่ข้าพเจ้าได้ดีแล้ววิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับ คำส่องสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วในบ้านก็ตามในป่า ก, ก็ตามที่เนื้มเขาก็ตามในถ้ำก็ตามโภชนาหารดังจะรู้ความดาริของเขาพเจ้าย่อมมีแก่เขาพระเจ้าทุกเมือ่อกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบท้ ง, งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอุปสีวะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อุปสีวะเทราประทานที่ห้าจบหนันทกะเทราประทานประวัติในดิตชาของพระนันทกะเทระพระนันทกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบเที่ยวสแสวงหาเนื้อฟานอยู่ได้พบพระสยามผูครั้งนั้นพระสยามภูปัจเจกพรพุทธเจ้าพระนามว่าอนุรุทธานั้นผู้ไม่สงพ่ายแพ้เป็นนักปราดทรงประสงค์วิเวจึงเสด็จเข้าป่าข้าพเจ้าถือท่อนไม้สี่ท่อนมาปักลงเป็นสี่เส้า ทำเป็นมณฑปเรียบร้อยแล้วมุงด้วยดอกปฐุมครั้นมุงมณฑปแล้วได้ถวายอภิวาพระสยามภูทิ้งธนูไว้ณที่นั้นเองแล้วบวชเป็นบรรพชิตเมื่อข้าพเจ้าบวชแล้วไม่นานก็เกิดเจ็บไข้ขึ้นข้าพเจ้าระลึกถึงบุปผกรรมแล้วก็ได้ตายไปในที่นั้นข้าพเจ้าประกอบด้วยบุปผกรรมจึงได้ไปเกิดเจ้าสวรรค์ชั้นดุสิตในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้น วิมานทองบังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามปรารถนาข้าพเจ้าอธิษฐานยานพาหนะทิพย์เทียมด้วยม้าพันตัวขึ้นยานพาหนะนั้นแล้วไปได้ตามปรารถนาเมื่อข้าพเจ้าอันบุญกรรมนำจากมนุษย์โลกนั้นแล้วไปเกิดเป็นเทวดามนดกย่อมกลางกั้นไว้แก่ข้าพเจ้าตลอดร้อยโยตโดยรอบข้าพเจ้านั้นนอนอยู่บนที่นอนที่ไม่มีเครื่องมุงลาดด้วยดอกไม้ ดอกปทุมทั้งหลายย่อมตกลงมาจากอากาศตลอดกาลเป็นนิจเมื่อพยับแดดเต้นไหวอยู่เมื่อแดดแผดเผาอยู่แดดย่อมไม่แผดเผาข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการทํามนตดบถวายข้าพเจ้าล่วงพ้นทุกขติแล้วอบายทั้งหลายปิดแล้วสําหรับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่มนตดบหรือที่โคนต้นไม้ความร้อนย่อมไม่มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานสัญญาว่าเป็นแผ่นดินแล้วข้ามทะเลไปก็ได้กรรมข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วนี้เป็นผลแห่งการบูช า, าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าทำทางในอากาศแล้วเหาะไปในอากาศก็ได้น่าปลื้มใจจริงกรรมข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าระลึกชาติตนก่อนได้ทิพยจักสุขข้าพเจ้าชำระให้หมดจดแล้ว อาจวะทั้งหลายของข้าพเจ้าสิ้นแล้วนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าชาติก่อนข้าพเจ้าละได้แล้วข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าและเป็นทายาทในพระสัทธรรมนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าให้พระสุคดพระนามว่าโคดมสักยะผู้ประเสริฐทรงพอพระทยแล้วเป็นธงชัยแห่งธรรมและเป็นธรรมทายาท นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าได้บำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โคดมสักยะผู้ประเสริฐเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วได้ทูลถามถึงทางที่จะไปนิพพานพระพุทธเจ้าอันเขาพระเจ้าทูลแล้วได้ตรัสบอกบทที่ลึกซึ้งละเอียดเขาพระเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะน่าปลื้มใจจริงคำเขาพเจ้าทำไว้ดีแล้ว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 วิชาสามเขาพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, ขาเาขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระนันตกะเทระ ได้ภาสึกคถาเหล่านี้ด้วยประกาศฉ น, นี้นันทกะเทราประทานที่หกจบเจ็ดเหมกะเทราประทานประวัติในดิจชาตของพระเหมกะเทระพระเหมกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นดาวบทชื่ออนโนมะอาศัยยอกเงื้อมเขาสร้างอาสมไว้อย่างดีอยู่ในบรณารณาศาลา การบำเพ็ญตบะของข้าพเจ้านั้นสำเร็จแล้วข้าพเจ้าถึงความสำเร็จในพลังของตนกล้าหาญในสามัญญุคุณของตนมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเป็นมุนีแกล้วกล้าในลัทธิสมัยของตนฉลาดในการโต้อตอบไปได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศฉลาดในลางร้ายลางดีปราศจากความเศร้าโศกไม่แข่งดีมีอาหารน้อย ชานอาหารน้อยไม่โลภจัดสันโดษตามีตามได้ลาภาลาเพนะมีปกติเข้าฌานยินดีในฌานเป็นมุนีครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีผู้เลิศประกอบด้วยพระกรุณาเป็นมุนีพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารจึงทรงแผ่พระกรุณาไป พระมหามุนีทรงพระนามว่าปิยชัดสีทรงพิจารณาเห็นคนผู้ควรตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปประทานโอวาทในที่หนึ่งพันจักรวาลพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จเข้ามายัางอาสมผลงข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระชินเจ้ามาก่อนและไม่เคยได้ฟังมาจากใครแรงดีแางร้ายความฝันและลักษณะดีร้ายข้าพเจ้ารู้ดีแล้ว ข้าพเจ้าไปได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศฉลาดในบทนักษัตริย์ข้าพเจ้านั้นได้ฟังข่าวพระพุทธเจ้าแล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์จะยืนหรือนั่งอยู่ก็าตามย่อมระลึกถึงตลอดกาลเป็นนิจเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงอยู่อย่างนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงระลึกถึงเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าปีติก็เกิดขึ้นทันที พระมหามุนีทรงรอเวลาอีกหน่อยแล้วจึงจะเดชมาหาข้าพเจ้าแม้เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงข้าพเจ้าก็าไม่รู้จักว่าผู้นี้คือพระพุทธมหามุนีพระมหามุนีพระนามว่าปิ ย, ยทัศน ส, สีผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงให้รู้จักพระองค์ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษยีโลกพร้อมทั้งเทวโลกครั้นข้าพเจ้ารู้จักแน่ชัดว่า พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีผู้เป็นมหามุนีแล้วจึงทําจิตของตนให้เลื่อมใสได้กราบทูนคำนี้ว่านิมนต์ภิกษุทั้งปวงนั่งบนตังบนบรรลังและบนพนักพิงส่วนพระองค์ผู้มีปกติเห็นเหตุทั้งสิน้นขอเชิญประทับบนอาสนะที่รุ่งเรืองในขณะนั้นข้าพเจ้าเนรมิตตังซึ่งสาเร็จเลือกแก้วล้วน แล้วถวายอาชนะที่เนรมิตรด้วยฤทธิ์แด่พระมุนีพระนามว่าปิยทัสีเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนต่างแก้วที่ข้าพเจ้าเนรมิตรด้วยฤทธิ์แล้วข้าพเจ้าได้ถวายผลว่าโตประมาณเท่าหม้อทันทีพระมหามุนีทรงให้ความร่าเริงเกิดเกิดข้าพเจ้าแล้วทรงสวยแล้วเนือครั้งนั้นข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสแล้ว ถวายอภิวาพระศาสดาส่วนพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปิยทัศีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งอยู่บนอาชนะแก้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรผู้ที่ได้ถวายต่างแก้วและผลซึ่งเป็นอมตะแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นี้จะเริ่นรมในเทวลโลกตลอดเจ็สิบเจ็ดกับ จากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจห้าชาติจากเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ32ชาติจากเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูร์นับชาติไม่ถ้วนจากได้บรนลังทองคําบรนลังเงินบรรลังแก้วทับทิมและบรนลังแก้วโล้วนจํานวนมากที่ทําอย่างสวยงามบรรลังมากมายจักแวดล้อมผู้นี้ซึ่งเกิดเป็นมนุษย์พร่งพร้อมด้วยบุญกรรมแม้เดินอยู่ทุกเมื่อ ปราสาทที่เป็นเรือนยอดและที่นอนอันควรค่ามากดังจะรู้จิตของผู้นี้บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองช้างพลายชาติมาตังคะหกหมื่นเชือกประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีสายประโคน ผ, ผ่านหน้าและผ่านหลังทำด้วยทองประกอบด้วยเครื่องประดับศีรษะและข่ายล้วนเป็นทองมีควานช้างผู้ถือหอกซัดและขอเครื่องขี่ประจำ ผลช้างเหล่านั้นจากบำเรอผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้วม้าสินทบชาติอาชาในหกหมื่นตัวเป็นพาณวิ่งเร็วประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีทหารม้าถือธนูสวมเกราะหนังเครื่องขี่ประจำผลม้าเหล่านั้นจากบำเรอผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้วรถหกหมื่นคันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง พุ่มด้วยหนังเสือเหลืองบ้างคุ่มด้วยหนังเสือโคร่มบ้างปักธงหน้ารถมีนายสารถีถือกริชและธนูขึ้นประจำจับแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้วแม่โคโนมหกหมื่นตัวจักตกลูกโคผู้ตัวประเสริฐนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้วสตรีหกหมืนคนประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมใส่ผ้าอาพร อ, อย่างงดงามห้อยต้มหูแก้วมณีมีตากลมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจากแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแก้วในกลับที่หนึ่งร้อยสิบปดนับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมผู้มีพระจักสุทรงกำจัดความมืดมนอนตรการจากอุบัติขึ้นในโลก ผู้นี้อาศัยการได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากตัดความกังวลออกโบสถจากให้พระศาสดาทรงพอพระทัยแล้วยินดียิ่งอยู่ในศาสนาได้ฟังธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้วจากเผากิเลสทั้งหลายกําหนดรู้อาสวะทั้งโกงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานพระพุทเจ้ามีความเพียรสําหรับนําพาธุระไป เป็นความเพียร น, นำมาซึ่งธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะเาพเจ้าปรารถนาประโยชน์สูงสุดอยู่ในศาสนานี้เป็นชาติสุดท้ายของเาพเจ้าภพสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่อายสวะทั้งปวงของเาพเจ้าสิ้นไปแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกกิเลสทั้งหลายเาพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงเทพเจ้าก็ถอนได้แล้วเาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว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 ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเหมะกะเทระได้พาสึกคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เฮมะกะเทราประทานที่เจ็ดจบพานาระที่สิบเจ็ดจบแปดโตเทยะเทราประทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยะเทระพระโตเทยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพระราชาพระนามว่าวิจิตชัยในกรุงเกบมดีเป็นเมืองชั้นเลิศเป็นผู้แกล้วกล้าเต็มเปียมด้วยความกล้าหาญประทับอยู่ท่ามกลางกรุงเมื่อพระราชาพระองค์นั้นทรงประมาท ข้าศึกแหงแว่นแคว้นก็กำเริบขึ้นฝ่ายตรงกันข้ามและพวกยุยงก็ทำลายแว่นแคว้นเมื่อปัจจันตชนบทชนบทปลายแดนกำเริบพระราชาจึงรับสั่งให้พลรบและทหารสื่อสารมาประชุมกันรับสั่งให้ปราบข้าศึกในครั้งนั้นพลช้างพลมา้าทหารสวมเกราะกล้าหานทหารแม่นพนูและพลรถมาประชุมกันทั้งหมด พวกพ่อครัวพนักงานเครื่องต้นพนักงานสงสนานช่างทำดอกไม้เป็นผู้กล้าหาญเคยชนะในสงครามมาประชุมกันทั้งหมดพวกชายชะกันถือดาบถือธนูสวมเกราะหนังเป็นคนแข็งแรงเคยชนะในสงครามมาประชุมกันทั้งหมดช้างมาตังคะตกมันสามแห่งเสื่อมกำลังเมื่ออายุหกสิบปีมีสายประโคนผ่านหน้าผ่านหลัง และเครื่องประดับทองคำมาประชุมกันทั้งหมดนักรบอาชีพอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่ออุจระปัสสาวะเตรียมการสำเร็จแล้วมาประชุมกันทั้งหมดพวกทหารเหล่านั้นร่าเริงด้วยเสียงสังเสียงกลองและเสียงแตกตื่นมาประชุมกันทั้งหมดพวกทหารเหล่านั้นตีรันฟันแทงด้วยหลาหอกแหลนธนูและโตมอน กลับมาประชุมกันทั้งหมดในครั้งนั้นข้าพเจ้าสวมเกราะแล้วสั่งให้จับทหารหกหมื่นคนพร้อมทั้งพระราชาผู้ชนะคนที่ไม่เคยชนะเสียเปลา่าประจานทหารเหล่านั้นพากันส่งเสียงร้องว่าโท่เอย๋ยพระราชาไร้ธรรมเมื่อถูกไฟเผาไหม้อยู่ในนรกเมื่อไรจกสิ้นสุดกรรมครั้งนั้นข้าพเจ้านอนอยู่บนที่นอนเห็นไฟนรก จึงนอนไม่หลับตลอดทั้งวันทั้งคืนพวกในนิริยาบาลใช้เหล้าขู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าความมัวเมาราชสมบัติสัตย์พานะและพลรบจะมีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะต้านทานเราไว้ได้มีแต่จะทําให้สะดุ้งอยู่ทุกเมื่อบุตรพัญญาและราชสมบัติทั้งหมดจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราทางที่ดีเราควรออกบวช ชมระทางที่จะดาเนินไปให้หมดจดช้างมาตังคะหกหมื่นเชือกตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกอย่างมีสายประโคนผ่านหน้าผ่านหลังเครื่องประดับศีรษะทองคํามีนายควานช้างถือโตโมอนและขอเคลืนขี่ประจำเขาพระเจ้าไม่มีความห่วงใหญยละทิ้งไว้ในสนามรบเดือดร้อนเพราะก ร, รัมของตนจึงออกบวชเป็นบนรรปชิตม้าสินปทบชาติอาชาในหกหมื่นตัว ตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกอย่างเป็นพานะวิ่งเร็วมีทหารมา้าถือธนูสวมเกราะขึ้นขี่ประจำข้าพเจ้าทอดทิ้งม้าเหล่านั้นทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตรถห0หมื่นคันตกแต่งด้วยเครื่องอลังการพร้อมสักเป็นรถที่หุ้มหนังเสือเหลืองบ้างหุ้มหนังเสือโคร่บ้างบรรทุกอาวุธรบปักธงไว้หน้ารถเ้าพเจ้าละทิ้งรถนั้นทั้งหมดแล้วออกบวดเป็นบนรรพชิต แม่โคนมหกหมื่น 60, ตัวและขันสำริดสำรับรองน้ำนมทั้งหมดข้าพเจ้าละทิ้งแล้วออกบวชเป็นบัณชิตสตรีหกหมื่นนางผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสวมใส่สผ้าอาพรอย่างงดงามห้อยต้มหูแก้วมณีมีตากลมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงดงามเอวเล็กเอวบางข้าพเจ้าละสตรีเหล่านั้นผู้พากันคล้มครวญอยู่แล้ว ออกบวชเป็นบนรรพชิตหมู่บ้านหกหมื่นตำบลที่บริบูรณ์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าละทิ้งราชสมบัตินั้นแล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตข้าพเจ้าออกจากนาครแล้วเข้าไปยังภูเขาหิมะพานได้สร้างอาสมไว้ณนะที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำภาคีรธีสร้างบารรณศาลาเสร็จแล้วสร้างโรงสำหรับปูชาไฟบำเพ็ญเพียรมีจิตเด็ดเดี่ยวอยู่ในอาสม เมื่อข้าพเจ้าเข้าฌานอยู่ในมนดบก็ดีที่โคนต้นไม้ก็ดีในเรือนว่างก็ดีความสะดุ้งกลัวย่อมไม่มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เห็นภัยที่แน่าวาดกลัวเลยในขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าสุมเมทะผู้เลิศประกอบด้วยพระกรุณาเป็นมุนีมีแสงสว่างแห่งพระญาณโชติช่วงสเสด็จอุบัติเกิดในโลกใกล้อาสมของข้าพเจ้า มียักษ์ตนหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดอุบัติขึ้นแล้วยักษ์บอกกับข้าพเจ้าในครั้งนั้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงพระนามว่าสุมเมทะทรงมีจักสุทรงช่วยหมู่ชนทั้งปงให้ข้ามแม้ท่านพระองค์ก็จะช่วยให้ข้ามขณะนั้นข้าพเจ้าฟังคาของยักษ์แล้วมีความสลดใจคิดอยู่ว่า พุโทโธพุโทโธปิดอาสมเขาพระเจ้าทิ้งฝืนสำหรับบูชาไฟและเก็บสันถัดไหว้อาสมแล้วออกจากป่าใหญ่ไปเขาพระเจ้าถือไม้จันท์จากที่นั้นจากบ้านไปสู่บ้านจากเมืองไปสู่เมืองแสวงหาพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพอยู่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้นำโดยวิเศษสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสุเมทะ ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงประกาศสัจจะสี่ทาหมู่ชนจำนวนมากให้ตรัสรู้เขาพระเจ้าประนมมือไหว้เหนือเสียนกล่าวถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรียกกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อต้นมะลิจ้อนมีดอกบานสะพรัง่งกลิ่นหอมฟุ้งไปนในที่ใกล้ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรพระองค์มีกลิ่นคือคุณหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ เมื่อต้นจำปาต้นกระถินพิมานต้นลำดวนต้นการะเกตและต้นสาละกำลังมีดอกบานกลิ่นหอมฟุ้งไปตามลมข้าพระองค์สุขเกลียงของพระองค์จึงจากภูเขาหิมพานมาจนถึงที่นี่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากผู้เจริญที่สุดในโลกมีพระย์ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ขอบูชาพระองค์ขพระเจ้าใช้จุนจันอย่างดี ไล่ทาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วได้ยืนนิ่งอยู่ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมทะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งในถ้ากลางพิสุสง์แล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจักพยากรผู้ที่สนเสริญคุณของเราและได้ใช้จุนจันทร์บูชา ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นี้จะเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่เชื่อถือได้เป็นพรหมผู้ซื่อตรงมีตบะมีรัศมีสว่างสวัยตลอด25กับจะเรื่อนรมในเทวโลกตลอด 2,600 กับจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันชาติจกเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ33ชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูร์นับชาติไม่ถ้วน ผู้นี้จุติจากเทวโลกนั้นแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์ประกอบด้วยบุญกรรมจกเป็นบุตรของพรามพรามชื่อพาวรีผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศถึงพร้อมด้วยลักษณะสประการเขาเป็นศิ์ของพรามนั้นเป็นผู้จบมนจากได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมศักยะผู้ประเสริฐข้าพเจ้าได้ทูลถามปัญหาอย่างละเอียด ทำใจให้ร่าเริงกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะไฟสามกองของข้าพเจ้าดับแล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้ากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะกิเลสทั้งปวงข้าพเจ้าข้าเผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้ากถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำส่องสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโตเทยะเทระได้พาจิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้โตเทยะเทราประทานที่แปดจบ9ก้าพเจโตกันนิกะเทราประทานประวัติในดิตชาของพระชะตุตกันนิกะเทระพระชะตโตกันนิกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในกรุงหงสาวดีเพีย่พร้อมห้อมล้อมอยู่ด้วยกามาคุณทั้งหลายลำดับนั้นข้าพเจ้าขึ้นสู่ประสาทใช้สอยโภ้คสมบัติมากมายแวดล้อมด้วยการฟ้อนรําขับร้องอยู่ในประสาทนั้นในครั้งนั้นนักดนตรีมีเครื่องประโคมอย่างดีมาประโคมให้ข้าพเจ้า หญิงทั้งปวงยั่วยวนทาใจของข้าพเจ้าให้ลุ่มหลงพวกนางเจลาวกาพวกนางวามานิกาพวกนางมัชิตาพร้อมด้วยนางปุญชวาสีพวกนางลังคิสกาและพวกนางโสกชายีต่างแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อคนตีขิงคนตีกองนักฟ้อนนักรรมตัวละครและพวกนาฏศิลป์จานวนมาก แวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมือ่อช่างการระบบคนจัดแจงเครื่องอาบน้ําพ่อครัวช่างร้อยดอกไม้คนทิ้งมูลคนทิ้งอุจจาระนักกายกรรมและนักมวยเหล่านั้นทั้งหมดแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมือ่อเมื่อคนเหล่านั้นเล่นอยู่เมื่อข้าพเจ้าชื่นชมการบําเรอที่คนเหล่านั้นทำํำข้าพเจ้าย่อมไม่รู้วันและคืนเปรียบเหมือนพระอินทร์ในเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึง คนเดินทางคนกำพร้าคนขอทานนักสืกจํานวนมากเข้ามาขอข้าพเจ้าจนถึงเรือนเป็นนิดสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะให้ข้าพเจ้าเจริญบุญมาจนถึงเรือนข้าพเจ้าพวกนี้ครนนุ่งผ้าใช้มูลไถทาใช้ดอกไม้กรองนุ่งถือไม้สามอันไว้ผมหนึ่งปอยมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน พวกอาชีวะพวกโจรปล้นพวกประพฤติวัดเหมือนโคพวกประพฤติเทวธรรมพวกคนทิ้งขยะเหล่านั้นต่างพากันมหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนพวกนักสวดพวกรักสิทธิเสรีภาพพวกโกทะปุคณิกะพวกบัมเพนตบะและพวกเรศีเที่ยวอยู่ป่าจํานวนมากต่างพากันมหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวแคว้นอันทกะโอทกะ ชาวทมินชาวสาวกุละชาวมลยาลกะชาวสาวระและชาวโยนกต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวแคว้นอันทกะพวกสมณะล้นทั้งหมดชาวกุธละชาวสานุวินทกะชาวอารวีจินรัตถะต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวอลสันทกะชาวปันลวะกะชาวปัปพัตะ ชาวนักพะมารุหะชาวพาหิกะและชาวแคว้นเจตปุตตะต่างพากันมหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวแคว้นมัทุระชาวแคว้นโกศนชาวแคว้นกาสีชาวหัตถิบุรีชาวแคว้นอิสิณนะทะชาวแคว้นมักกละต่างพากันมหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวเจลาวกะชาวอารัมพะชาวโอภาสะ ชาวเมฆกะละชาวคุตกะชาวสุธกะจำนวนมากต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวโรหกะชนบทชาวลุ่มแม่น้ำสินทุชาวจิตกาชาวเอกะกันเิกะนิคมชาวสุรธาและชาวอปรันตะชนบทต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนชาวสุปารกะชาวกุมาระ ชาวมรกาชาวมาลายชนบทชาวสุวรรณภูมิและชาววัจจีเหล่านั้นทั้งหมดต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนช่างสานช่างหูช่างหนังช่างถากคนงานและช่างหม้อต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนช่างแก้วช่างเหล็กช่างทองช่างเย็บผ้าและช่างดีบุกเหล่านั้นทั้งหมด ต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนช่างสอนช่างกลึงคนส่งของช่างปรุงของหอมช่างย้อมและช่างชุนต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนพวกคนขายน้ำมันคนหาฝืนคนหาบน้ำคนรับใช้คนหุงต้มคนตักน้ำต่างพากันมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนพวกคนกเฝ้าประตูทหารช่างร้อยดอกไม้ คนทิ้งพยะดอกไม้ควานช้างคนเลี้ยงช้างต่างพาคนมาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือนข้าพเจ้าได้ทูลถวายของทุกอย่างแก่พระราชาพระนามว่าอนันทะผู้พร้อมเพรียงข้าพเจ้าทำความพร่องให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดสีข้าพเจ้ารู้จิตของชนจำนวนมากมีวันะต่างกันที่ข้าพเจ้ายกย่องทั้งหมดให้พึงพอใจแม้ด้วยรัตนะ เมื่อดนตรีมีเสียงไพเราะบรรเลงอยู่เมื่อกลองดังก้องอยู่เมื่อสังเขาเป่าอยู่เขาไปเจ้ารื่นรมอยู่ในเรือนของตนสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระพร้อมด้วยภิกษุขีนาศกจำนวนหนึ่งแสนรูปพระองค์ผู้มีพระจักสุพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายเสด็จดำเนินไปตามถนนทรงทำที่ทั้งปวงให้สว่าง ช, ช่อดวง เหมือนต้นพรพฤษาประทีปเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกกําลังเสด็จดําเนินไปกลองทั้งปวงยังดังก้องอยู่รัศมีของพระองค์พวยพุ่งดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้นขณะนั้นแสงสว่างจ้าสอ่องเข้าไปภายในเรือนของข้าพเจ้าด้วยพระรัศมีที่สอ่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างข้าพเจ้าเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าแล้วเรียกกล่าวกับพวกบริวารว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเสด็จมาถึงถนนนี้แน่แล้วเขาพระเจ้ารีบลงจากปราสาทแล้วได้ไปยังระหว่างทางถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกปราบทูลคำนี้ว่าขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระโปร่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนองค์ทรงรับนิมนต์ คข้าพเจ้านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้นำเสด็จพระองค์มายองเรือนของตนอ่งข้าพระมหามุนีให้อิ่มน้ำเลือกข้าวและน้ำในเรือนนั้นข้าพเจ้ารู้เวลาที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้คงที่กําลังเสวยได้บ่มรงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยการขับร้องและดนตรีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งอยู่ภายในเรือนได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรณ์ผู้ที่บำรุงเราด้วยดนตรีและได้ถวายข้าวน้ำแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดคนผู้นี้จะเป็นผู้มีอาหารมากมีเงินมีโภชนะครองเอกราชในทวีปทั้งสี่จากสมาทานศีลห้ายินดีในกรรมบทสิบ ครั้นสมาทานแล้วก็ประพฤติให้บริวารศึกษาด้วยเครื่องดนตรีหนึ่งแสนชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งสวยงามจักบรนเลงให้ผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบำรุงผู้นี้จะเพลินรมในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัปจักเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดห4ชาติจักเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ็สิบสชาติ จากเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพู่ร์นับชาติไม่ท่วนเนกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโครสงสมภพในราชสกุลโอกากา ก, าก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้เกิดในกำเนิดใดเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นเขาจะเกิดเป็นมนุษย์มีโคะไม่บกพร่อง จากเป็นผู้คงแค่เรียนจบไตรเพศเที่ยวแสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดอยู่ทั่วแผ่นดินนี้และภายหลังเขาถูกกุศลมูลตักเตือนออกบทแล้วจากยินดียิ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมผู้นี้จะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักรยะผู้ประเสริฐทรงพอพระไทยเผากิเลสทั้งหลายได้แล้ว จากเป็นพระอาหารหันต์วันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีเคร่งครามอยู่ในศาสนาของพระสากยะผู้ประเสริฐดุพญาเสือโคร่งและราชสีพญาเนื้อในป่าใหญ่ข้าพเจ้าไม่เห็นการบังเกิดของข้าพเจ้าในตระกูลที่ขาดสนหรือยากจนในเทวโลกหรือในมนุษยโลกนี้เป็นผลแห่งการบำรุงข้าพเจ้าเป็นผู้ขวนขวายในวิเวกสงบระงับไม่มีอุปธิ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 ได้ทราบว่าท่านพระชจตุกั น, นิกะเทระได้พาศัลย์คาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนิจเจตุกั น, นิกะเทราประธานที่เก้าจบส0อุเทนะเทราประธานประวัติเนดิตชาติของพระอุเทนะเทระพระอุเทนะเถระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เนื่อไกลภูเขาหิมพาน มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อปฐุมะเขาพเจ้าสร้างอาสมสร้างบรรณาสาราอย่างดีไว้ที่ใกล้อาสมของเขาพเจ้านั้นแม่น้ําไหลยอยู่มีท่าน้ําราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจแม่น้ํามีน้ําใสสะอาดเย็นสนิทไหลยอยู่เป็นนิดฝูงปลาสลาดฝูงปลากระบอกฝูงปลาสวายฝูงปลาเขาและฝูงปลาตะเพียนอยู่ประจําในแม่น้ํา ทำให้แม่น้ำงามทุกเมื่อดาเดินไปด้วยต้นมะม่วงต้นว่าอันหนึ่งต้นกลุ่มต้นหมากเม่าต้นราชพฤกษ์ต้นแค่ฝอยประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นปรูต้นมะกล่ำหลวงต้นกาหลงมีดอกบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมอบอวนประดับอาสมของข้าพระเจ้าให้งดงามต้นลำดวนต้นชะบาต้นกากระพิง และต้นสาละมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นคําต้นช้างนาวต้นกระทุ่มต้นมะเฟืองมีดอกบานส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นสมอต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงต้นว่าต้นสมอพิเพกต้นพุษา ต้นรกฟ้าต้นมะตูมมีผลดกอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้ามันอ้อนต้นมะเขือพวงกําลังผลิดอกออกผลใกล้อาสมของข้าพเจ้านั้นส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นอโศกต้นวารีและต้นเสดามีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์ ระดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นบุญนาต้นบุญนาเขาต้นดีหมีในที่ใกล้อาสมนั้นมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิบระดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นย่านทายต้นคนทีเขมาและต้นจำปาในที่ใกล้อาสมของข้าพเจ้านั้นมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิบ ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามในที่ไม่ไกลมีสระโบครณีมีนกจักระภาพส่งเสียงร้องอยู่ดาราดาด้วยบัวเพื่นบัวหลวงและบัวขาบมีน้ําใสเย็นสนิทมีท่าน้ําราบเรียบน่ารื่นรมใจน้ําใสสะอาดเสมอด้วยแก้วเพล็กระดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามในสะนั้นมีบัวหลวงบัวขาวบัวขาบ ดารดาตื้อบัวเพลินมีดอกบานสะพรั่งประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามฝูงปลาสลาดฝูงปลากระบอกฝูงปลาสวายฝูงปลาเขา้าและฝูงปลาตะเพียนว่ายเวียนอยู่ในสระนั้นประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามเจระข้ตะโผงเต่านาคงูลามและงูเหลือมจำนวนมากประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม นกพิราบนกเป็ดน้ำนกจักระภาคนกกาน้ำนกต้อยตีวิธและนกสาลิกาอยู่ในที่ใกล้อาสมนั้นประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามต้นตาเสือต้นจงค น, นีต้นการะเกตในที่ใกล้อาสมนั้นมีดอกบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิด ป, ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามราชสี เสือโครง่งเสือเหลืองหมีหมาป่าหมาในเสือดาวเที่ยวสัญจรอยู่ในป่าใหญ่ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามโรจีทั้งหลายเพียรพร้อมด้วยชดาและบริขาร น, นุ่งหม่มหนังสัตว์เที่ยวสัญจรอยู่ในป่าใหญ่ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามบางพวกนุ่งหม่มหนังสัตว์มีปัญญารักษาตนมีความประพฤติสงบ และบริโภคอาหารแต่น้อยเหล่านั้นทั้งหมดประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามครั้งนั้นโรสีทั้งหลายหาบริขางเข้าไปสู่ป่ากินหัวมันและผลไม้อยู่ในอาสมครั้งนั้นโรสีเหล่านั้นไม่ต้องนำฟืนมาน้ำสำหรับล้างเท้าก็ไม่ต้องนำมาโดยอนุภาพแผง่งโรสีทั้งปวงฟืนและน้าย่อมมาเองีดหมสีพตน ประชุมกันอยู่ในอาสมนั้นทั้งหมดนี้เป็นผู้เข้าฌานแสวงหาประโยชน์สูงสุดฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้มีตบะประพฤติพรหมจรรย์ตักเตือนกันและกันเป็นผู้แน่นแฟน้นเหาะไปในอากาศได้ทุกตนอยู่ในอาสมในครั้งนั้นประชุมกันทุกห้าวันไม่ระสกำระสายมีความประพฤติสงบกราบไหว้กันและกันแ ล, แล้ว จึงบ่ายหน้าหลีกไปตามทิศที่ตนอยู่ครั้งนั้นพระธีนเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดมนอนตรการใกล้อาสมของข้าพเจ้ามียักษ์ตนหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากยักษ์ตนนั้นได้บอกข่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระแก่ข้าพเจ้าว่า พระพุทธเจ้าองค์นี้พระนามว่าปทุมุตระเป็นพระมหามุนีสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านจงรีบไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดท่านผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าได้ฟังคำของยักษ์แล้วก็มีจิตผ่องใส ย, ยิ่งนักจึงปิดอาสมและออกจากป่าในขณะนั้นเมื่อไฟกำลังไหม้ผ้าอยู่พระพระเจ้าออกจากอาสมพักอยู่กลางทางคืนหนึ่งแล้ว เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงประกาศสัจจะสี่แสดงอมตะบทอยู่เขาพระเจ้าถือดอกปฐุมซึ่งบานเต็มที่เข้าเฝ้าพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงเป็นผู้นำแล้วหม่มหนังสัตว์เฉวงบ่าสันเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะประทับอยู่ที่นี้ด้วยพระยานใดข้าพระองค์จากสันเสริญพระญาณ น, นั้นขอพระองค์จงสดับข้าพระองค์กราบทูล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดกระแสวัสงสารแล้วทรงช่วยสัพพสว์ที่ข้ามพ้นสัพพสารนั้นฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามพ้นกระแสตัณหาได้ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์พระองค์เป็นพระศาสดาเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่พึ่งและเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลายคณนาจารย์ผู้นำหมูประมาณเท่าใด ที่ถูกกล่าวถึงในโลกพระองค์เป็นสัพพันยูผู้เลิศ ก, กว่าคณาจารย์เหล่านั้นคณาจารย์เหล่านั้นนับว่าอยู่ในคําสอนของพระองค์พระองค์ผู้สัพพันยูทรงช่วยหมู่ชนจํานวนมากให้ข้ามพ้นจากวะตฏสงสารด้วยพระญาณของพระองค์หมู่ชนอาศัยฟันได้เฝ้าพระองค์แล้วจากทําที่สุดทุกได้พลาดแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุ คันธชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่งหอมฟุ้งไปในโลกข้าแต่พระมหามุนีผู้เป็นนาบุญกลิ่นหอมที่จะเสมอด้วยกลิ่นหอมของพระองค์ไม่มีข้าแต่พระมหามุนีผู้มีพระจักสุข อ, พ ร, อ, อ, ดดรรอพระองค์ทรงเปลื้องกำเนิดเดริชานและนรกเถิดพระองค์ทรงแสดงบทที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้สงบระงับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราจับพยากรผู้ที่เลื่อมใสได้บูชายานของเราด้วยมือของตนเธอทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจะเริ่นรมในเทวโลกตลอดสามหมือนกัปและจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผ่นชาติเขาพระเจ้าเป็นผู้ได้ลาบอย่างดีแล้ว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 ได้พาสืบคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิปุทเทเนเถราประทานที่สิบจบเมเตยวักที่สี่สิเอ็ดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวักนี้คือหนึ่งติสสะมเมเตยะเถราประทานสองปุณกะเถราประทานสเมตะคูเถราประทานสโทตกะเถราประทาน 5. อุปศีวะเถราประธานหนันทกะเถราประธานเจเหมกะเถราประธาน 8. ปดโตเทยะเถราประธานเก้าชัตุกนิกะเถราประธานสิอุเทนะเถราประธานและในวรนี้มีคาถาสามร้อยปดสิบสามคาถา